การให้ทั้งปวงก้าวไปในบุญสมเด็จพระพุทธโกษาจาร์ปออประยุตโตหัวข้อที่สำคัญแก้ความเข้าใจความหมายของบุญที่แคบและเพี้ยนไปให้ทานอย่างไรจึงจะได้ทำบุญอย่างสมบูรณ์ไปทำบุญอย่างเดียวแต่ได้กลับมาสามอย่าง ถ้าจะทำบุญก็ควรทำให้ครบทุกความหมายหนทางที่จะทำบุญมีอยู่มากมายทำบุญต้องให้สมบูรณ์ขึ้นไปถึงปัญญาบุญที่แท้แผ่ความสุขออกไปให้ความงอกงามทั้งแก่ชีวิตของเราและทั่วสังคมโยมทำบุญแล้วพระก็อนุโมทนาแต่ถ้าโยมทำบุญเพราะพระชวนอาจจะเสี่ยงอเนสนาทำบุญที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าทำอะไรถ้าทำเป็นก็ได้บุญศึกษาบุญไปให้ปัญญาพาบุญยังถึงจุดหมายกลายเป็นบุญอย่างสูงสุดก้าวไปในบุญสมมูธนียกกถาในโอกาสที่ญาติโยมจัดงานทำบุญที่วัดญาณเวศกวรรณตั้งมาจะครบห้าปีมีอุโบสถพร้อมพระประธานและสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ ซึ่งขณะนั้นดารงสมณศักดิ์พระธรรมมปิฎกมีอายุครบห้ารอบนวันอาทิตย์ที่17มกราคมพุทธศักราช 2,542 ัายไหว้พระประธานญาติโยมจัดงานทำบุญบรรพีกุศลกันวันนี้โดยปราร์บเรื่องอัตมาภาพแต่ก็ได้ขอให้ขยายความหมายเป็นงานบุญสำหรับอุโบสถละวัดนี้ทั้งหมด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 ที่เพิ่งหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาประดิษฐานในวันที่เจ็ดมกราคมและปิดทองเสร็จเมื่อวันที่ส2องมกราคมที่ผ่านมานี้พระประธานนี้ก็สร้างเกือบไม่ทันเพราะที่วัดนี้ออกจะจู้จี้มากไปดูและแก้ไขเท่าไรก็ไม่พอใจสักทีช่างปั้นใหม่ให้จนในที่สุดดูเหมือนปั้นรวมทั้งหมดห้าองค์จึงได้องค์นี้ซึ่งได้ทราบปรยมพอใจทั่วกัน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 แก้ความเข้าใจความหมายของบุญที่แคบและเพี้ยนไปบุญกุศล น, นี้มีทางทมให้เกิดขึ้นได้มากมายแต่ข้อสำคัญอยู่ที่จิตใจของโยมเองแต่เมื่อเราต้องการให้จิตใจพ่องใสอะไรจะมาช่วยทำให้พ่องใสได้ตอนนี้เราอาศัยพระประธานแต่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า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 เช่นเมื่อเราพูดว่าไปทาบุญทําทานโยมก็นึกว่าทําบุญคือถวายข้าวของแก่พระสงฆ์บุญก็เลยมักจะจํากัดอยู่แค่ทานคือการให้แล้วก็ต้องถวายแก่พระเท่านั้นจึงเรียกว่าบุญถ้าไปให้แก่ชาวบ้านเช่นให้แกคนยากจนคนตกทุกข์ยากไร้เราเรียกว่าให้ทานภาษาไทยตอนหลังนี้จึงเหมือนกับแยกกันระหว่างทาบุญกับให้ทาน ทำบุญคือถวายแกพระให้ทานคือให้แกคฤ ห, หัสถ์ชาวบ้านโดยเฉพาะคนตกทุกข์ได้ยากเมื่อเพี้ยนไปอย่างนี้นานๆคงต้องมาทบทวนกันดูเพราะความหมายที่เพี้ยนไปนี้กลายเป็นความหมายในภาษาไทยที่บางทีก็ยอมรับกันไปจนคิดว่าถูกต้องด้วยซ้ำแต่พอตรวจสอบด้วยหลักพระศาสนาแล้วก็ไม่จริงเพราะว่าทานนั้นเป็นคำกลาง การถวายของแกพระที่เราเรียกว่าทำบุญนั้นเมื่อว่าเป็นภาษาบาลีจะเห็นชัดว่าท่านเรียกว่าทานทั้งนั้นแม้แต่ทำบุญอย่างใหญ่ที่มีการถวายของแกพระมากๆเช่นถวายแกสงฆ์คือภิกษุ ส, สีรูปขึ้นไปก็เรียกว่าสังฆทานทำบุญทอดกรถินก็เรียกว่ากรถินทานทำบุญทอดพระปา่าก็เป็นบางสกุลจีวรทาน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 ยังมีวิธีทำบุญอื่นอื่นอีกหลายอย่างนี้ก็เป็นแง่หนึ่งละแง่ที่สองก็คือความแคบในแง่ที่เมื่อคิดว่าถ้าให้แก่คนตกทุกข์ได้ยากหรือแก่ชาวบ้านก็เป็นทานแล้วถ้าเข้าใจเลยไปว่าไม่เป็นบุญก็จะยุ่งกันใหญ่ที่จริงไม่ว่าให้แก่ใครก็เป็นทานและเป็นบุญทั้งนั้น จะต่างกันก็เพียงว่าบุญมากบุญน้อยเท่านั้นเองการวัดว่าบุญมากบุญน้อยช่านมีเรื่องทานนี้ท่านมีเกณฑ์หรือมีหลักสำหรับวัดอยู่แล้วว่า 1. ตัวผู้ให้คือทายกทายิกามีเจตนาอย่างไร 2. ผู้รับคือปฏิ่าหกมีคุณความดีแค่ไหน 3. วัตถุหรือของที่ให้คือทยธรรมบริสุทธ์สมควรเป็นประโยชน์เพียงใดทยธรรมมาจากภาษาบาลีว่าทยธรรมะแปลว่าสิ่งที่จะพึงให้หรือของที่ควรให้ถ้าปฏิฆาหกคือผู้รับเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมความดี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 ก็มีคุณสมบัติดีประกอบมากขึ้นก็ยิ่งได้บุญมากเป็นอันว่าการให้เป็นทานทั้งสิน้นไม่ว่าจะถวายแก่พระหรือจะให้แก่ข้ารหัสชาวบ้านจึงต้องมาทบทวนความหมายกันใหม่ว่าหนึ่งได้บุญไม่ใช่เฉพาะถวายแก่พระสองบุญไม่ใช่แค่ทาน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 คือถวายทานอย่างเดียวแต่ต้องให้ได้ทั้งศีลทั้งภาวนาด้วยอย่างนี้จึงจะเรียกว่าทำบุญที่แท้จริงไปทำบุญอย่างเดียวแต่ได้กลับมาสามอย่างคราวนี้เราก็มาตรวจสอบตัวเองว่าทานของเราได้ผลสมบูรณ์ไหม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 ต่อไป 2. มุญจนาเจตนาขนาดถวายก็จริงใจจริงจังตั้งใจทำด้วยความเบิกบานผ่องใสมีปัญญารู้เข้าใจ 3. อัปา ร, ราป ร, ราเจตนาถวายไปแล้วหลังจากนั้นระลึกขึ้นมาเมื่อไรจิตใจก็เอิบอิ่มผ่องใสว่าที่เราทำเป็นนี้ดีแล้ว ฐานนั้นเกิดผลเป็นประโยชน์เช่นได้ถวายบำรุงพระาศาสนาพระสงฆ์จะได้มีกำลังแล้วท่านก็จะได้ปฏิบัติาศาสนากิจช่วยให้พระาศาสนาเจริญงอกงามมั่นคงเป็นปัจจัยให้สังคมของเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เ อ, อิบอิ่มปลื้มใจท่านใช้คำว่าอนุสอนด้วยโสมนัต ถ้าโยมอนุสร์ด้วยโสมนัสทุกครั้งหลังจากที่ทำบุญไปแล้วโยมก็ได้บุญทุกครั้งที่อนุสรนนั่นแหละคือระลึกขึ้นมาคราวไหนก็ได้บุญเพิ่มคราวนั้นนี่คือเจตนาสามการซึ่งเป็นเรื่องสำหรับทายกส่วนปฏิฆาหกคือผู้รับถ้าเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมต่างๆมากก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลมาก เพราะจะได้เกิดประโยชน์มากอย่างพระสงค์นี้เมื่อเป็นผู้ทรงศีลทรงไตรสิกขาท่านก็สามารถทำให้ทานของเราเกิดผลงอกเงยออกไปกว้างขวางเป็นประโยชน์แก่ประชาชนช่วยให้ธรรมะแผ่ขยายไปนในสังคมให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขและดำรงพระศาสนาได้จริงส่วนทัยธรรม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 ถ้าเป็นบุญก็คือได้ครบทั้งสามประการทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาความหมายของบุญจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์บุญคือเครื่องําระสันดานความดีกรรมดี ความประพฤติชอบทางกายวาจาและใจอุศ ล, ลกรรมความสุขอุศ ล, ลธรรมที่กล่าวนั้นเป็นความหมายทั่วไปโดยสรุปต่อ น, นี้พึงทราบคำอธิบายละเอียดขึ้นเริ่มแต่ความหมายตามรูปสัพ์ว่ากรรมที่ชำระสันดานของผู้กระทำให้สะอาดสภาวะอันทําให้เกิดความน่าบูชาการกระทาอันทาให้เต็มอิ่มสมน้าใจความดี กรรมที่ดีงามเป็นประโยชน์ความประพฤติ ช, ชอบทางกายวาจาใจกุศลซึ่งมักหมายถึงโลกิยากุศลหรือความดีที่ยังกรอบด้วยอุปธิคือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ปรารถนากันในหมู่ชาวโลกเช่นโภคสสมบัติบางทีหมายถึงผลของการประกอบกุศลหรือผลบุญนั่นเองเช่นในพุทธพจน์ที่ว่าภิกษุทั้งหลาย เพราะการสมทานกุศลธรรมทั้งหลายเป็นเหตุบุญนี้ยอมเจริญเพิ่มพูนอย่างนี้และมีพุทธพจน์รัสไว้ด้วยว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าเดกลลวต่อบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขซึ่งบุญในพุทธพจน์นี้ทรงเน้นที่การเจริญเมตตาจิตพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ศึกษาบุญ คือฝึกปฏิบัติหัดทำให้ชีวิตเจริญงอกงามขึ้นในความดีและสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติที่ดีในการทำบุญไม่พึงละเลยพื้นฐานที่ตรงตามสภาพความเป็นจริงของชีวิตให้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมเจริญงอกงามหนุนกันขึ้นไปสู่ความดีงามที่สมบูรณ์เช่นพึงระลึกถึงพุทธพจน์ที่ว่าชนเหล่าใดปลูกสวนปลูกป่า สร้างสะพานรวมทั้งจัดเรือข้ามฝากจัดบริการน้ำดื่มและบึงบ่อสระน้ำให้ที่พักอาศัยบุญของชนเหล่านั้นย่อมเจริญงอกงามทั้งคืนทั้งวันตลอดทุกเวลาชนเหล่านั้นพูดตั้งอยู่ในธรรมถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้เดินทางสวรรค์คำพีทั้งหลายกล่าวถึงบุญกรรม ที่ชาวบ้านคนร่วมกันทำไว้เป็นอันมากการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนทางสร้างสะพานขุดสระน้ำสร้างศาลาที่พักและที่ประชุมปลูกสวนปลูกป่าให้ทานรักษาศีลดังตัวอย่างนี้เรื่องของมาคะมานกคือพระอินทร์หรือเท้าสักกะตอนเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าตรัสประมวลหลักการทำบุญที่พึงศึกษาไวเรียกว่า บุญกิริยาวัตถุสามซึ่งพระอัฏฐกถาจารย์ได้แจกแจงให้เห็นตัวอย่างในการขยายความออกไปเป็นบุญกิริยาวัตถุสิบถ้าจะทำบุญก็ควรทำให้ครบทุกความหมายถึงตอนนี้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 กายของเราก็ประนีตขึ้นวาจาของเราก็ประนีตขึ้นจิตใจของเราก็ประนีตขึ้นปัญญาของเราก็ประนีตขึ้นดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ 2. บุญแปลว่าทำให้เกิดภาวะหน้าบูชาบุญนั้นทำให้หน่าบูชา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 ในคุตการนิกายอิติวุตกะพระไตรปิฎกเล่ม25หพุทธพจน์มีอยู่ชัดว่าปุญญะเมวะโสสิกขยะแปลว่าคนนั้นพึงศึกษาบุญคำว่าศึกษาก็คือฝึกขึ้นมาทำให้ได้ให้เป็นให้ก้าวหน้าเจริญงอกงามขึ้นไปในความดีและในคุณสมบัติทั้งหลายนั่นเอง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 พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยสรุปอย่างสั้นที่สุดว่ามีสคือบุญกิริยาวัตถุสได้แก่ 1. ทาน 2, สศีล 3. ภาวนาอย่างที่พูดไว้ตอนต้นแล้วทีนี้ต่อมาพระอัฏฐกถาจารย์คือพระอาจารย์ผู้เรียบเรียงคำผี่อธิบายความหมายของพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกคงอยากจะให้ญาติโยมเห็นตัวอย่างมาก ท่านจึงขยายความใหกว้างออกไปอีกเพื่อเห็นช่องทางในการทำบุญเพิ่มขึ้นท่านจึงเพิ่มเข้าไปอีกเจดข้อรวมเป็นบุญกิริยาวัตถุสิบซึ่งขอนำอามาทบทวนกับญาติโยมในฐานะที่เป็นผู้ทำบุญอยู่เสมอต่อจากบุญสาคือทานศีลภาวนาข้อที่สอปาปัจญานะใหม่ทำบุญด้วยการให้ความเคารพ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 เราเองก็ปลืมใจได้พัฒนาก็ยิ่งได้บุญมากข้อที่สิบที่ถูกชุกกรรมทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ตรงคือทำความคิดความเข้าใจให้ถูกต้องความเห็นถูกต้องนี้ต้องทำกันอยู่เสมอไม่ว่าจะทำอะไร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 ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องประกอบอยู่ด้วยทั้งหมดนี้รวมเป็น10บข้อแต่ใน1ิข้อนี้ที่เป็นหลักก็คือทานศีลภาวนาส่วนที่เติมมา7ข้อนั้นเป็นการขยายจาก3มข้อต้นเพื่อให้เห็นความหมายและช่องทางที่จะทำบุญเพิ่มขึ้น ที่แท้แผ่ความสุขออกไปให้ความงอกงามทั้งแก่ชีวิตของเราและทั่วสังคมข้อที่ขยายเพิ่มขึ้นนั้นอปจายนะไมยก็ดีวัยาวัจมัไมก็ดีอยู่ในหมวดศีลคือการที่มีความสุภาพอ่อนโยนนกไหว้ให้เกียรติกันและการช่วยเหลือรับใช้บริการ ก็เป็นเรื่องด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคมจึงเป็นเรื่องของศีลจัดอยู่ในหมวดศีลตอนนี้เรียกว่าสมเคราะห์คือจัดประเภทต่อไปปัติทานนิม่การให้ส่วนบุญแก่ผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมบุญนี่จัดอยู่ในทานจะเห็นว่าทานมีความหมายกว้าง ไม่ใช่เฉพาะให้ของเท่านั้นแต่การให้ความมีส่วนร่วมในการทำความดีหรือให้โอกาสผู้อื่นร่วมทำความดีรวมทั้งปัตตานุโมทนาอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นทำคือให้ความร่วมใจในการที่ผู้อื่นทำความดีก็เป็นบุญในการให้ชนิดหนึ่งเหมือนกันจึงอยู่ในหมวดทานด้วย ต่อไปข้อ8ธรรมสวรนาใหม่ฟังธรรมก็ดีข้อ9ธรรมเทศนาใหม่แสดงธรรมแก่ผู้อื่นก็ดีรวมอยู่ในข้อสคือภาวนาใหม่เพราะเป็นการพัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญาโดยเฉพาะปัญญาซึ่งจะไปส่งผลแก่ข้อสุดท้ายด้วยข้อสุดท้าย คือทิฏฐุชุ ก, กรรมท่านบอกว่าเข้ากับทุกข้อเวลาทำบุญทุกอย่างให้มีทิฏฐุชุ ก, กรรมประกอบคือมีความเห็นที่ถูกต้องด้วยมีฉะนั้นบุญของเราก็จะบกพร่องบกพร่องเพราะอะไรเพราะบางทีเวลาทำบุญนั้นใจของเราซีกหนึ่งได้บุญแต่อีกซีกหนึ่งมีโลภะเป็นต้นปนอยู่นึกถึงบุญ แต่ใจมีความโลภดึงไว้พะวงอยากได้ผลตอบแทนโ น, น่นนี่อย่างนี้บุญก็ได้แต่บาปก็พ่วงมาด้วยเพราะฉะนั้นจึงต้องระวังเหมือนกันแต่ถ้าเรามีทิฏฐิชุบกรรมประกอบอยู่คอยทำความเห็นให้ตรงก็จะแก้ปัญหานี้ได้คือทำบุญด้วยความรู้เข้าใจที่ตรงชัดว่าทานนิธรรมเพื่ออะไร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 ว่าสิ่งที่ตนทานี้ทำเพื่ออะไรควรทำอย่างไรยิ่งถมองเห็นความหมายความมุ่งหมายที่แท้และคุณประโยชน์ชัดเจนแล้วก็จะยิ่งมีจิตใจกว้างขวางและบุญกุศลก็ยิ่งเพิ่มอย่างเวลาทาทานนี่เรารู้เข้าใจมองเห็นว่าที่เราถวายพั ต, ตาหารและถวายทุนการศึกษาแก่พระสงฆ์พระสงฆ์ท่านมีหน้าที่อะไร โยมลองถามตัวเองแล้วก็มองเห็นว่าพระสงฆ์ท่านมีหน้าที่เล่าเรียนพระธรรมวินัยมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมมินไหที่ได้เล่าเรียนนั้นแล้วก็มีหน้าที่ที่จะเผยพระสังสอนธรรมอ๋อท่านมีหน้าที่ใหญ่สามอย่างนี้การที่เราถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์นี้ก็เพื่อให้ท่านมีกาลังไปทำศาสนากิจคือทำหน้าที่สามอย่างนั้น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 นึกขึ้นมาเมื่อไรก็ยิ่งมีความสุขนี่แหละที่เรียกว่าทิถูุชุกกรรมเกิดจากมีปัญญาประกอบเข้ามาบุญก็ยิ่งกว้างขวางยิ่งกว่านั้นต่อไปมันจะเป็นปัจจัยให้เราเห็นทางทำบุญที่ถูกต้องยิ่งขึ้นว่าทำบุญอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์เกิดคุณค่ากว้างขวางโยมก็จะได้วิจัยทานคือทานที่เกิดจากการวิจัยขึ้นมาด้วย คือพิจารณาไตรตรองแล้วจึงให้ทานทั้งหมดนี้ก็ขอนำมากล่าวให้โยมได้ฟังในเรื่องวิธีทาบุญซึ่งที่จริงไม่มีที่สิ้นสุดและมีเรื่องที่ควรทราบอีกมากแต่เราฟังกันไปทีละน้อยทีละน้อยก็จะเห็นแนวทางปฏิบัติในการทาบุญมากขึ้นทุกทีทุกที โยมทำบุญแล้วพระก็อนุโมทนาแต่ถ้าโยมทำบุญเพราะพระชวนอาจจะเสี่ยงอเนสนาเวลายมทำบุญเสร็จแล้วพระก็จะอนุโมทนาที่ว่าอนุโมทนาก็คือแสดงความปลอยยินดีด้วยกับโยมที่ได้ทำบุญเพราะโยมทำดีงามถูกต้องแล้วพระก็ยอมรับ หรือแสดงความเห็นชอบในการอนุโมทนานั้นพระก็จะบอกว่าบุญที่ทมนี้เกิดผลเกิดอนิสงส์อย่างไรทานมีผลอย่างไรศีลมีผลอย่างไรภาวนามีผลอย่างไรเราเรียกสั้นๆว่าอนุโมทนาแต่อนุโมทนานี้พระจะพูดไม่ยอมทำแล้วว่าที่ยธมทมจะเกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้ มีผลดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าดังที่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสแสดงอนิสง์ของบุญไว้หมายความว่าบุญประเภททานก็ดีบุญประเภทศีลก็ดีบุญประเภทภาวนาก็ดีพระองค์ได้ดแสดงอนิสงค์ไว้อนิสงค์นั้นพระพุทธเจ้าตรัสเน้นประโยชน์ที่มองเห็นก่อนแล้วจึงลงท้ายด้วยผลในภพหน้าว่าตายแล้วไปสวรรค์ เช่นในเรื่องศีลพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสอนิสง์ของศีลห้าว่าหนึ่งคนที่มีศีลอาศัยความไม่ประมาทจะทำให้เกิดโผคาได้มากคนไม่มีศีลอย่างคนที่เต็มไปด้วยอบายมุกย่อมปลายชีวิตตกต่ำมัวหมกมุ่นวุ่นวายมัวเมาในเรื่องของสิ่งเหลวไหลจึงไม่เอาใจใส่ไม่ขยันทำมาหากินเรียกว่าตกอยู่ในความประมาท ก็เสื่อมทรัพย์อับชีวิตแต่คนที่มีศีลเว้นจากทุจริตเว้นจากอบายามุขและเรื่องชั่วช้าเสียหายแล้วเมื่อมีความไม่ประมาทก็ขยันหมั่นเพียรทำการงานใจอยู่กับการประกอบอาชีพก็ทำให้เกิดโภคะได้มาก 2. กิตติศัพท์อันดีงามก็ระบือไป คนที่ประพฤติดีมีศีลมีความสุจริตคนก็นิยมชมชอบยิ่งในสังคมปัจจุบันนี้ต้องถือเป็นสำคัญมากว่าทาอย่างไรจะหาคนที่มีศีลคือคนสุจริตมาบริหารบ้านเมืองถ้าคนไหนมีศีลสุจริตมีความบริสุทธิ์มีความซื่อสัตย์ก็ได้กิตติศัพท์ดีไปด้านหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดอย่างน้อยด้านศีล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 เวลาตายก็มีสติไม่หลงตายต่อจากนั้นห้าข้อสุดท้ายตายแล้วไปเกิดในสวรรค์อา น, นิสงฆ์ห้าข้อของความมีศีลนี้เป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงอา น, นิสงค์แบบนี้พระก็อาจจะเอามาเทศหรือพูดขยายให้โยมฟังว่าทำบุญแล้วเกิดผลอะไรมีอา น, นิสงค์อย่างไร เมื่อได้ฟังได้รู้เข้าใจผลดีของการประพฤติดีปฏิบัติชอบก็ทำให้โยมมีจิตใจชื่นบานผ่องใสบุญก็จะมากขึ้นเพราะเกิดความเข้าใจมีปัญญาประกอบด้วยยิ่งมั่นใจและใจยิ่งเข้มแข็งมีกําลังสว่างใสแต่ถ้าพระไปพูดก่อนคือไปพูดให้โยมทำบุญโดยชวนว่าโยมทำโน่นทำนั่นที่นี่แล้ว จะได้ผลมากมายอย่างนี้อย่างนี้ชักเข้าหาตัวก็กลับตรงกันข้ามที่ว่าตรงข้ามคือถ้าโยมทำบุญก่อนและพระพูดถึงผลดีที่หลังนี่เป็นอนุโมทนาแต่ถ้าพระพูดก่อนเพื่อให้โยมถวายก็กลายเป็นเสี่ยงต่ออเนสนาอเนสนาแปล ว, ว่าการสแสวงหาลาบ หรือหาเลี้ยงชีพโดยทางไม่ถูกต้องทางพระถือว่าเป็นมิจฉาชีพคำว่ามิจฉาชีพเนี่ยใช้ได้ทั้งพระทั้งคฤหัสถ์สำหรับพระมิจฉาชีพก็ได้แก่การกระทําจำพวกที่เรียกว่าอเนสนาเช่นพูดล่อพูดจูงหรือเรียบเคียงให้โยมมาถวายของหรือบริจาคอะไรต่างๆอย่างนี้เสี่ยงมาก บอกกันง่ายๆก็ใช้คำสั้นๆว่าถ้าพูดทีหลังเป็นอนุมโมทนาแต่ถ้าพูดก่อนเสี่ยงต่ออเนสนาตามปกตินั้นพระได้แต่อนุมโมทนาเมื่อโยมทําบุญแล้วอันนี้โยมคนทราบไว้ทําบุญ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 สูงขึ้นไปอีกในภาวนาส่วนปัญญานั้นเมื่อทำงานไปมองเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นไปของเหตุการณ์ก็ดีของผู้คนที่พบเห็นเกี่ยวข้องก็ดีรู้จักพิจารณารู้จักมานสิการก็เกิดความรู้ความเข้าใจโลกและชีวิตนี้มากขึ้นมองโลกด้วยความเข้าใจรู้เท่าทันแล้ววางท่าทีได้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่น คุณหมอต้องสัมพันธ์กับคนไข้มองคนไข้คนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นหน้าบึง้งคนนี้หน้ายิ้มคนนี้พูดไปแล้วเข้าใจดีคนนี้พูดไปแล้วไม่เอาไหนคนนั้นกำลังใจเข้มแข็งดีคนนี้ไม่มีกำลังใจเราก็ได้รู้เห็นชีวิตและอาการของผู้คนที่เป็นไปต่างๆเมื่อรู้จักมอง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 นี่ก็ได้ภาวนาด้านปัญญาแต่ปัญญาภาวนาอย่างสำคัญที่ผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้มากดูเหมือนจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆก็คือนักข่าวนั้นได้พบเห็นผู้คนมากหลากหลายต่างพวกต่างหมู่ทุกชั้นเพศวัยทุกอาชีพมีนิสัยใจคอและพฤติกรรมต่างๆกันมีความดีความชั่วไม่เหมือนกัน ความคิดเห็นก็ต่างๆกันและเหตุการณ์ก็ปกแปลกๆมากมายทุกอย่างที่ได้ผ่านพบนั้นถ้ารู้จักไตร่ตรองพิจารณามองด้วยท่าทีที่ถูกต้องก็จะทําให้เข้าใจผู้คนทําให้มองเห็นความจริงของโลกและชีวิตแล้วก็ทําให้สามารถวางใจต่อสิ่งต่างๆได้ดีจิตใจจะโปร่งโล่งเป็นอิสระซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตของตนเอง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 ผลของบุญก็จะเพิ่มพูนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นศึกษาบุญไปให้ปัญญาพาบุญอย่างถึงจุดหมายกลายเป็นบุญอย่างสูงสุดพูดมายืดยาวแล้วควรจะจบได้ขอย้ำข้อสุดท้ายที่ว่าทิฏฐุชุกกรรม ควรให้มีประกอบกับการทำบุญทุกครั้งเพราะมันเข้าได้ทุกข้อเริ่มแต่ทำบุญข้อทานเราก็มีทิฏฐิชุ ก, กรรมเช่นถามตัวเองว่าเรามีความเห็นถูกต้องไหมในการทำบุญเราเข้าใจถูกต้องไหมอย่างน้อยรู้ว่าการทำทานมีความมุ่งหมายเพื่ออะไรพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ว่าถ้าเราจะถวายสังฆทาน คุณค่าประโยชน์จุดมุ่งหมายของมันอยู่ที่ไหนเมื่อพิจารณาอย่างนี้ 1. ใจของเราจะกว้างสว่างสดใสและบุญก็ได้เพิ่มขึ้น 2. เราจะพัฒนาก้าวสูงขึ้นไปจะไม่จมติดอยู่แค่เท่าเดิมเป็นอันว่าทิฏฐุชุกกรรมนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่ง วันนี้นํามาพูดเป็นเขาไว้ให้โยมทราบว่าต้องพยายามให้ประกอบกับการทาบุญทุกอย่างให้เป็นการกระทาที่มีความเข้าใจรู้เห็นถูกต้องแล้วก็ปรับทิฏฐิของเราอยู่เสมอการที่จะปรับทิฏฐิได้ถูกต้องก็คือต้องเรียนรู้อยู่เสมอต้องฟังต้องอ่านธรรมะอยู่เสมอ ขอพูดเพิ่มอีกนิดหนึ่งสั้นๆว่าบุญนี้ท่านยังแบ่งอีกว่ามีสองประเภทคือโอปัติกบุญกับนิโรปัติบุญหรืออนุปัติกบุญโอปัติกบุญแปลว่าบุญที่ยังมีอุปัติยังก่อให้เกิดขันหมายความว่าเป็นบุญของคนที่อยู่ในโลกซึ่งจิตใจยังหวังผลอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ ยังเป็นบุญที่ละคนด้วยกิเลสท่านยอมให้สำหรับญาติโยมแต่ท่านเตือนไว้อย่าลืมว่าเราจะต้องเดินหน้าต่อเพื่อไปให้ถึงนิรุปติกุศลซึ่งเป็นอนนปัิกบุญนั่นคือบุญที่ไม่ประกอบด้วยอุปัิอันเป็นบุญที่บริสุทธิ์เกิดจากเจตนาที่ไม่มีกิเลสมีความผ่องใสทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์จริง ตรงตามความมุ่งหมายคือทําเพื่อความมุ่งหมายของบุญนั้นแท้ๆไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเข้ามาครอบงําหรือแอแฝงแต่การที่จะฝึกให้ไม่มีโมหะนี้ต้องทําไปเรื่อยๆอย่าหยุดก็แล้วกันขอให้เดินหน้าไปแล้วก็จะถึงบุญที่จะทําให้เราหมดอุปธินี้แน่นอน บุญตัวสำคัญก็คือปัญญาบุญคือปัญญาแปลว่าชำระจิตใจให้บริสุทธิ์แต่บุญจะชำระจิตใจได้จริงก็ต้องมาถึงขั้นปัญญาจึงจะชำระด้วยวิปัสสนาให้สะอาดได้จริงฉะนั้นบุญจึงรวมคำว่าปัญญาอยู่ด้วยและบุญขั้นสูงสุดก็จึงมาถึงปัญญามาเป็นปัญญา ในที่สุดปุญยะกับปัญญาก็จึงมาบรรจบกันถ้าโยมทำอะไรแล้วได้ทั้งปุญยะได้ทั้งปัญญาพระพุทธศาสนาก็เดินหน้าในตัวโยมและโยมก็เดินหน้าในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อทำบุญไปก็อย่าให้ได้เฉพาะปุญยาแต่ให้ได้ปัญญาด้วยให้ปุญยากับปัญญามาบรรจบกัน และสุดท้ายปัญญาก็จะมาเป็นตัวทำให้บุญของเรานี้มีผลสมบูรณ์อย่างแท้จริงจนกระทั่งกลายเป็นบุญสูงสุดที่เป็นนิรูปะทิวันนี้ก็เลยพูดมายืดยาวพอสมควรในเรื่องบุญเพื่อให้เห็นตัวอย่างว่าเรื่องของถ้อยคาและกิจกรรมที่เราทำในพระพุทธศาสนานี้ยังมีอะไรที่ควรจะศึกษาอีกมาก ท่านจึงบอกให้ศึกษาบุญดังที่ตรัสไว้ในพระสูตรซึ่งแสดงบุญกิริยาวัตถุว่าบุญกิริยาวัตถุมีอยู่สมอย่างคือ 1. ธทานไมบุญกิริยาวัตถุ 2. สศีลไมบุญกิริยาวัตถุ 3. ภาวนาไมบุญกิริยาวัตถุแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาสรุปท้ายยาวหน่อย เริ่มด้วยท่อนต้นที่บอกว่าปุญญะเมวะโสสิกเขยยะบุคคลนั้นพึงศึกษาบุญคือเรียนรู้ฝึกทำให้ก้าวหน้างอกงามเพิ่มพูนต่อไปอย่าหยุดอยู่แค่บุญที่เราทำอยู่เป็นทุนเท่านั้นบุญจึงจะเกิดผลสมบูรณ์อย่างที่กล่าวมาได้แสดงธรรมกระถาเรื่องบุญมาพอสมควรแกเวลา ขออนุโมทนาคุณยอมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในการที่ได้มาพ ร, รารบเหตุการณ์หนึ่งและมาร่วมกันทำบุญขึ้นจบเสียงงานหนังสือก้าวไปในบุญสมเด็จพระพุท ธ, ธโคสาจารย์ปออประยุตโตเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นนะครับ